ต่อเ น, นื่อไปพึงพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้ดีนานๆนนจึงจะได้มาพบครั้งหนึ่งเนื่องจากธุรกิจาาศาสนกิจมันบีบรัดตัว ผู่อยู่เบื้องหลังเขาเข้าใจว่าคงไม่ประมาทคงพากันตั้งอกตั้งใจตามปกติมีสติสมบทเสนียะรู้ทั่วกายรู้ทั่วใจโยหอมรู้อันนี้นะ มันมีอยู่แต่เดิมแล้วแต่มันไม่ฉลาดมันนี่ เ, เรามาฝึกให้มันฉลาดขึ้นมันไม่สงบเราก็มาฝึกให้มันสงบกระตัวของตัวเองนั่นแหละฝึกตัวเองเพราะว่าจิตนั้นไม่ใช่มีสองดวงสามดวง จิตนั้นมีดวงเดียวดังนั้นเมื่อมันเบื่อทกมันต้องการอยากพ้นจากทุกข์มันก็เลยขวนยต้องพยายามเพราะความทุกข์มันอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านี้จิตดวงนี้มันเป็นธรรมชาติรับรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอนุภาพในตัวของมันแต่อนุภาพอ น, นั้นมันหักไม่ยืนหยัดอยู่ในความจริงอย่างเดียวเรื่องไม่จริงมารอกเข้าก็หลงไปตาม ้องยินดียินร้ายไปตามนี่ความรู้ตามธรรมชาตินะดังนั้นต่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตใจในให้มันถึงซึ่งความส ง, งบก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญามันจึงได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาถ้าไม่ได้ฝึกอย่างนี้แล้ว มันก็รู้ไปตามกำลังเท่าที่มันมีอยู่มั น, ม, นมันรู้อย่างไรมันหลงอย่างไรมันก็รู้อย่างนั้นหลงไปอย่างนั้นมันปรับปรุงตนให้เจริญขึ้นกว่านั้นไม่ได้ ม, มันเคยเป็นทุกข์อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น เคยเป็นสุขเก่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้พัฒนาตัวเองให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาอย่างนี้แหละกาให้พากันทบทวนดูจิตใจของคนแต่ละคนแล้วก็ให้ประเมินดูผลมัน ในเมื่อเราได้ตื่นตัวมาปฏิบัติตามคำสอนของพระตเจ้าแล้วเช่นนี้มันยังมีผลดียิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนหรือไม่หรือมันอยู่เท่าเดิมเช่นนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะพึงฝึกตน จะพึ่งทบทวนดูการเป็นมาแห่งชีวิตของตัวเองแต่ละคนแต่เมื่อก่อนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่จิตใจมันเป็นยังไงอ่ะวันไหวไปยังไงมเมื่อมาปฏิบัติธรรม ฝึกขนตนเข้าไปแล้วมันดีขึ้นกว่าเก่าหรือไม่มันรู้ยิ่งขึ้นกว่าเก่าหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิจารณาให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่ผู้อื่นจะพยการให้ไม่ได้หรอก นอกจากพระพุทธเจ้าเราไม่มีใครจะมีญานอย่างรู้อัธยาศัยใจคอของคนบัด น, นี้พระพุทธเจ้าก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วดังนั้นก็ยังแต่เหลือแต่พระธรรมพระสงฆ์กับพระคุณของพุทธเจ้านั่นเองเนี่ย ดังนั้นจึงได้มีแต่พระสงฆ์สรงมาแนะนำสั่งสอนแทนองค์พระพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนควรรู้ตัวว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้ว โยธรรมมังปสติโสมังปัส ต, สติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นเราตถาคตอันนี้ก็บนับว่าเป็นความจริงเมื่อเราวินิจฉัยดูโดยเหตุผลแล้วผู้ใดเห็นทุก ภายในวตาสงสารนี่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเห็นแล้วเบื่อหน่ายปรารถนาอยากกะพน้น จากความเกยแก่จิตตายนี้เช่นนี้กะชึงตะเกียกตะกายพยายามฝึกตนไปฝึกกิจใจไปนี่ก็ได้ชื่อว่าได้เห็นหลวพตุ๊กเจ้าซีกหนึ่งแล้วพอว่าพระองค์ก็เห็นอย่างนี้ก็จึงได้สระราชสมบัติออกปวด แล้วผู้ใดเห็นว่าทันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆแล้วทันหานี่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรที่จะมาสะสมไว้ในใจเมื่อมีทันหามากเท่าไรความทุกข์มันก็มากเท่านั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เพียรอยามละให้มันน้อยเบาบางไปโดยลาดับ จนกว่ามันจะหมดสิ้นอันนี้ก็เลยชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าส่วนที่สองอ น, นั่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นโทษแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยู่ในโลกอันไม่มีสิ้นสุดนี่ว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์พระองค์จึงสละราชสมบัติ เสด็จออกนี้ไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวชอบสั ง, งัดมักน้อยสันโดษสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเพื่อจะได้อบปรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดพระองค์จะภาคเพืี่ยนเมื่ยามไป ก็ได้สำเร็จสมปณิธานความปรารถนาจริงๆแม้เราผู้เป็นพุทธบริษัทเมื่อพยายามปฏิบัติไปจริงๆก็คงทำตัณหาความอยากให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่าบุคคลเมื่อภาวนา ทาใจสงบเข้าไปแล้วมันย่อมเห็นโทษแห่งตันหาถ้าเมื่อใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนรอยอยู่มันไม่เห็นมันยังถือว่าตันหาเป็นของดีอีกซ้ำพยายามละมันได้เท่าไรความทุกข์ทางจิตใจมันก็เบาลงไปเท่านั้น ผู้ใดละทันหนาให้มากเข้าไปเท่าไร จ, จิตใจก็ยิ่งสงบระงับเท่านั้นความอยากความปรารถนามันก็น้อยลงอย่างนี้เน่ยเมื่อความอยากความปรารถนาน้อยลงไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็น้อยลงความสุขความสบายใจมันก็เกิดขึ้นแทน คราวนี้ก็มามองเห็นพระพุทธเจ้าในส่วนที่สองเห็นว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพระองค์ดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้พอ ม, มาละตัณหานี่จริงจริงแต่เราเพียไม่ยามละตัณหามานี่ยังไม่หมดสิ้นไป เพียงแต่ละได้เป็นบางส่วนบางอย่างก็ยังมีความสงบใจความเย็นใจได้ขนาดนี้ถ้าเราละสัญหาได้มากกว่านี้เราก็จะเป็นสุขมากกว่านี้มันก็ย่อมมองเห็นอย่างนั้นแหละแล้วเมื่อผูดด้ใดมาละตัญหาความทยานอยากใน จ, ใจิตใจ ลงไปได้เท่าใดจิตมันก็ส ง, งบลงไปเท่านั้นความทุกข์มันก็ดับไปเท่านั้นหมายเอาความทุกข์ทางจิตโดยตรงผู้มีจิตใจส ง, งบระงับตันหาไม่รบ ก, กวนจิตใจก็ย่อมนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ละตันหา ได้หมดสิ้นไปริงๆิงเพราะองค์จึงได้มีความสุขความสงบความสว่างในใจอย่างนี้แม้เราละตัณหาได้เพียงเอกเทศเท่านี้ก็ยังมีความสุขความสบายอยู่ไม่น้อยแล้วถ้าว่าเราละตัณหาได้หมดสิ้นไปทุกทางใจนี้ก็ยอมดับไป ก็เชื่อว่าเห็นความดับทุกข์โดยถูกต้องเชนนี้คือว่าด้เห็นพระพุทธเจ้าในส่วนที่สามแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงละตัณหาได้ก็เพราะมีความเพียรพยายามปฏิบัติถูกทาง คือพระ อ, องค์สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศีลสำรวมอินทรีย์ไม่ให้จิตหลงไหลอินดียินร้ายไปตามอารมณ์มีรูปเป็นต้นมากระทบในตาก็รู้เท่าทันแล้วทำจิตให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่ง เป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสั ง, งัดปรารบความเพียรละตัณหาความทยานอยากให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้มีความกนหนดรู้เท่าทุกในเบญจขันธ์อันนี้โดยเห็นว่าเมื่อขันธ์นี้มีอยู่ตราบใด ทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นดังนั้นเมื่อขันหนายนยังไม่แตกดับก็ต้องทำความรู้เท่าทุกข์ในขันหนานี้ไปเรื่อยๆไปเพราะขันหน้าเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วทุกข์ทั้งหลายอันเกิดขึ้น จ, จากขันหน้าเพราะขันหน้าไม่เที่ยงไม่ยังยือนนี่ มันก็ไม่ใช่ของตนอีกแหละเหมาะกับว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่ของตนนะทุกข์เป็นเรื่องของขันห้าตาังหัดขันห้ามันอย่างหนึ่งแล้วผู้รู้เท่าแจ้งขันห้านั้นอย่างนึงมันไม่ใช่อันเดียวกันดังนั้นต้องเข้าใจถ้าหากว่าความรู้ในขันห้านั้น ก็เป็นอันเดียวกันกันกบขันห้าอย่างนี้นะอา้าวมันก็ตายแล้วมันก็ศูนย์ไปเท่านั้นสิมันก็หมดไปเท่านั้นขันห่านี้เมื่อแตกดับไปแล้วมันก็หมดไปถ้าเช่นนั้นผู้ที่สร้างบุญบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องกัน อันนวิจิตดวงเดียวเมื่อขันหน้ามันแตกดับไปแล้วก็ดับไปตามกันไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่มีผู้ที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกผู้ใดตายแล้วก็เลยออกไฟเลีเออกไฟเลยอย่างนี้นี่มันมันไม่เป็นไปตามกฎธรรมดาอ่ามันไม่เป็นไปกฎธรรมดามีอยู่ว่า อจิตนี่มันมีอยู่เอกเท่มึงตาหาักแต่เมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในขันห่านี่มันจึงยึดขันห่านี่เป็นที่พึ่งอยู่ไปก่อนอย่างนี้นะเมื่อมันรู้ตัวแล้วว่าตนจะหลุดพ้นจากขันห่านี้ได้ก็เพราะอาศัยสร้างบุญบา ร, รมีมีให้ทานรักษาศีล เจริญสมาธิและปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้จึงจะพ้นจากขันหานี้ไปได้ผู้เรียนรู้อย่างนี้แล้วก็จึงได้พยายามไปพยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะองค์ไม่ใช่ว่า พระองค์จะพ้นจากขันธ์ห้านี้ได้โดยง่ายได้ทั้งปรารถนาเป็นพรพุทธเจ้านี้ยิ่งยิ่งต้องการบุญกุศลให้มากมายต้องการญาณความรู้พิเศษต่างๆที่เรียกว่าทศพลยานญาณสิบประการนี้มีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีแก่สาวกทั่วๆไป ก็กลัวว่าพราะองค์จะได้บรรลุทศพรยานเหล่านี้นะก็ต้องอาศัยสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนานแสนนา น, น, า น, านดังที่รู้กันอยู่แล้วนะนะใช่ว่าพราะองค์ได้บรรลุเอาง่ายๆหามีได้ต้องเอาทุกต้องเอาทุกเป็นทุนสร้างบุญกุศลแล้วก็เพียรละบาป ไอ้มันหมดไปสิ้นไปจากพระคัมธรสันดานนี่พระองค์เอาทุกเป็นทุนสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนี่นานแสนนานกลัวจะดับตัณหานี่ได้ขอให้เข้าใจแม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระเจ้า ก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั่นเองทางแต่ว่ากว้างและแคบเกาะกวกันเท่านั้นเองส่วนผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าภูมิของมาษาวกนั้นเป็นภูมิแคบ ไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองค์แปดประการมีความเห็นชอบเป็นที่สุดและมีความตั้งใจไว้ชอบเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วก็ยอมรู้ได้ว่าอ๋อ พ, พระพุทธเจ้าพระองค์จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะพระองค์มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือเมื่อกระจายออกไปแล้วก็ได้แก่บา ร, รมีสิบประการหรือสามสิบประการหรือว่าได้แก่มักมีองค์แปดประการดังกล่าวมานั้นเมื่อได้บำเพ็ญให้ สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจแล้วก็สามารถดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับหมดแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ยอมดับไปผู้ภาวนามองเห็นด้วยปัญญาตาใจของตนเองอย่างนี้ก็ยอมชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้า ตนละตัณหาไปได้มากน้อยเท่าใดก็เห็นพระพุทธเจ้าไปได้มากน้อยเท่านั้นแหละผู้ดใดละตัณหาความทยานอย่ากนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าทั้งองค์เลยประเดี๋ยววันนี้เบ่งั้นพระพุทธเจ้าที่แ ท, ท้จริงไม่ใช่พระรูปพระโฉมนั้นหมายเอา รวงใจของพระองค์หรือว่าพระอริยไทยนั่นแหละพระองค์ชำาพระปริยไทยนั้นให้บริสุทธิ์หมดจดจากราคะโทสะโมหะแล้วโดยประการทั้งปวงถึงซึ่งความสงบระ ง, งับอยู่ไม่ถูกตันหาคุกคามตลอดเวลานั่นแหละ เป็นองค์พระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหมายถึงดวงใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสนั่นแหละนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะค้นทุกข์ถึงพระนิพพานก็จิตตวงเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นส่วนขันห้านี่มันก็มีแต่แตกดับลงไปสู่พื้นดิน เท่านั้นก็รู้ๆกันอยู่แล้วนี่อันนี้แหละจึงแสดงให้เห็นได้ว่าจิตมันต่างหากากับขันห้าขันห้ามันส่วนหนึ่งอันนี้จิตก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหากอาศัยอยู่ด้วยกันขันห้าก็อาศัยจิตจิตก็อาศัยขันห้าจึง เป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ถ้าจิตถอนออกจากขันห้าขันห้ากระตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับไปเป็นอย่างนั้นจิตนี้เมื่อไม่ได้อาศัยขันห้าก็ทำความดีอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมาเกิดเป็นขันห้ามาอาศัยขันห้านี้ขึ้น พูดพูดอีกให้ชัดลงไว้ก็เทีย ว, ว่ามาอาศัยาธาตุของมารดาบิดาประกอบกันเข้าโดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะต่างๆให้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นท้นตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ล้วนแต่เป็นาธาตุของมารดาบิดา แล้วก็มีบุญเป็นเครื่องตกแต่งบุคเล็กลักษณะต่างๆให้ก็ดังนั้นแหละเราจึงได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระเถรเจ้าใดถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเลดลฉานแล้วอย่างนี้มันไม่มีความคิดปัญญาอันใด เทจะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนานี้ได้ไม่มีเพราะนั้นถ้าพูดถึงคุณแห่งขันหน้านี่มันก็มีคุณอยู่มากมายกายกองไม่ใช่น้อยๆออเพราะว่าเป็นสถานที่ดวงกิจนี่ได้อาศัย สั่งสมบุญกุศลอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นมรรคสมมังคีไปเมื่อมรรคอันมีองแฝดมันรวมกำลังลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็มีกำลังเต็มที่สามารถกำจัดตัณหา ความทยานอยากต่งตางๆน่นาให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไ ม, ไม่ได้อาศัยขันห้านี้ไม่มีทางนะจะไปกำจัดกิเลสตัณหาสังสมบูญณ์กุศลให้มากขึ้นได้ในพูดถึงคุณของขันห้านี่นะก็มันมีจริงอย่างนี้นะแต่พูดถึงโทษของขันห้าแล้ว มันก็พอพอกันโทษของขันธ์หน้าก็คือขันธ์หน้ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันทนทุกข์ทนได้ยากลำบากมันวังคับไปได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดจิตนี้จะมาหวงเห็นว่าของเราปรารถนาอยากอาศัย ขันห้านี่ตลอดไปก็ไม่มีทางจะอาศัยอยู่ได้เมื่อมันหมดเหตุปัจใจลงเมื่อใดแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเมื่อนั้นนี่พูดถึงขันหามีคุณเมื่อบุคคลมาพิจารณาฝึกขนอบรมทนโดยอาศัยขันห้าเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็เกิด ปัญญายาญความรู้ยิง่งเห็นจริงขึ้นมาทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้อย่างนี้ก็ยอมมองเห็นคุณแห่งขันห้านี้ได้เป็นอย่างนีว่าถ้าเราไม่ได้อาศัยขันหานี้ก็คงจะพ้นจากทุกข์นี้ไปไม่ได้ จะละตัญหาเนี่ยให้หมดสิ้นไปไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนะ่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายเนะี่ยถึงแม้ว่าจะรู้จะเบื่อนหน่ายในขันธ์ห้านี้อย่างไรจะเห็นว่าขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรท่านก็ไม่ได้คิดฆ่าตัวเองเลย ก็เหตุว่าขันหานี้มีคุณต่อจิตใจมากมายเพราะจิตตรงนี้ได้อาศัยขันหานี้ก็จึงทำอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างอย่างนี้นะดังนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้ว ก็จึงเที่ยววินทบาทเลี้ยงที่ปอยู่นั้นอาศัยปัจจัยสี่ปอยู่แล้วก็ช่วยผู้อื่นในพ้นทุกข์ไปตามเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์สำเร็จสมมาสัมพโพ ธ, ธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่พระนิพพาน เพราะว่าเบื่อหน่ายขันห้านี่ขันห้านี่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยมีแต่ทุกข์ทนได้ยากลําบากพระองค์ก็ไม่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเนามเพราะพระองค์เห็นคุณของโลกนี่พรงเห็นคุณของขันห้านี่อืม พระ อ, องค์เห็นคุณของสัตว์โลกทั้งหลายโดยที่พระ อ, องค์ก็ได้มาเกิดกับมนุษย์กับสัตว์พวกนี้นตั้งเด็ดสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารจึงทำบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นได้ถ้าไม่ได้เกิดมากับหมู่มนุษย์เช่นนี้ก็ไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะ แม้ว่าพระองค์ได้ตัดรู้แล้วทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็พระองค์เชียงได้ตอบบุญแทนคุณต่อโลกคือมนุษย์ของเรานี่นะเชียงได้อุตสาหสเด็จจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติตามพระองค์มาตลอดถึงพระพุทธวิดาพระพุทธมารดาพระอัคเมเหสีเทวีพระราชโอรสพระราชธิดาพระญาติพระวง์ทั้งหลายหมูนีนะกระล้วนแต่เป็นผู้สนับสนุน พระบารมีธรรมขององค์ให้แก่กล้าขึ้นมาโดยลาดับดังนั้นเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วเจเนียรคิดถึงคุณูปการรของท่านเหล่านั้นจึงได้เสด็จเข้าไปสู่กุงกบินลพัดทรงแสดงธรรมโปรดพญาติพระวงศ์เหล่านั้นให้ได้บรรลุมรคลธรรมวิเศษตามวาฒนาบรมีของตนของตอน อันนี้เลยให้พากันพิจารณาดูให้ดีอาตามพุทธภาษิตข้อที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอย่างนี้นะผู้ใดได้ลงมือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปโดยความไม่ประมาทแนวก็สามารถที่จะ รู้เห็นอริยสัจจะทำทั้งสี่ได้เมื่อเห็นอริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกข์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นได้ผู้นั้นก็จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ทรงรู้เท่าทุกข์ในขันหา น, นี้ตามเป็นจริงและไม่วนไหวแล้วก็ทรงละตันหาความยุติยานอยาก เกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากพระพันทัศนดานเย้ข้อนี้เราไม่เราไม่เถียงเราไม่คัดค้านเลยเพราะว่าแต่เราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกสาวิกาปฏิบัติตามแนวทางของพุปเทเจ้าก็ยัง ทำตัณหาความอยากนี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักด้วยตนเองนะฉะไหนล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จละตัณหาเ่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระองค์มีบุญหนักสักใหญ่กลัวมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่นะความรู้ความเห็นอย่างนี้แหละมันเป็นเครื่องสนับสนุน ให้พุทธบริษัททางหลายได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองแปดนี่ไม่ท้อไม่ถอยเลยถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นตามที่หระพุทเจ้าทรงบำเพ็ญมาดังกล่าวานั้นแล้วมันท้อถอยมันทำไม่ได้ คนผู้ปฏิบัติตามไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจของตนเลยอืมมองไม่เห็นว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่จะดับตัณหาอันเป็นเหตุหให้เกิดทุกข์ได้มันมองไม่เห็นอย่างนี้นะเหตุนั้นมันจึงไม่มีศรัทธาแรงกล้าที่จะมาปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญานี่ได้ผู้มีศรัทธายังอ่อนอยู่มันก็ได้แค่กินกินทานทานรักษาศีลก็ได้บ้างเสียบ้างไปอย่างนั้นแหละหูถึงการเว้พระนั่งสมาธิภาวนาแล้วเขาเอื้อมไม่ถึงความสามารถไม่เพียงพอเพราะบุญน้อย ไปยังงานเรื่องมันนะนั่นไอ้เราจะได้รู้ได้ว่าการสั่งสมบุญกุศลนี่นะมอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับกูเห็นทุกเห็นภัยในสงสารแล้วถ้าไม่มาสั่งสมบุญกุศลนับแต่ให้ทานเป็นต้นไปแล้วนั่นไม่มีทางนะที่จะพ้นทุกได เพราะอะไรล้วก็เพราะเหตุว่ากิเลสัญหานี่มันก็มีกำลังแข็แก่กล้าไม่ใช่เล่นดังนั้นถ้าลำพังแต่จิตใจธรรมดาไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจแล้วไม่มีทางจะเอาชนะมันได้เลยเหมือนอย่างคนมีกำลังมากผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งมีกำลังน้อย เช่นนี้นะมันจะไปเอาชนะกันได้อย่างไรอ่ะผู้มีกำลังน้อยอ่ะผู้มีกาลังมากมก็เอาชนะผู้มีกำลังน้อยไปได้ยันในชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพอเมื่อกิเลสตัณหามันมีกำลังมากกว่าบุญบา ร, รมีของบุคคลอย่างนี้ผู้นั้นก็แพ้ต่อกิเลสตัณหานั้นเลยให้เข้าใจ เมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงได้พยายามสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยไปในเมื่อตนยังมีชีวิตอยู่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ร่วงโลยไปเสียเปล่าเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ประกอบความเพียรไม่พยายามละความชั่วทำความดี แสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวในโลกนี้แทนที่จะมีอายุยั่งยืนนานไปหาไม่ได้แม้ผู้แสวงหาความสุขสนุกสนานในโลกนี้มันก็ยอมถึงเวลาแก่เจ็บตายมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปอยู่นั้นเฮานี่ให้คิดดูไม่ใช่ว่ามันจะ ต่ออายุให้ยังยืนนานไปที่ไหนแนละ้ะความสุขในโลกนี่นะแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีแก่มีเจ็บ ม, มีตายเหมือนกันนะแต่ว่าผู้รู้ทำเห็นธรรมของจริงแล้วเช่นนี้นะไอดวงจิตที่รู้ธรรมของจริงเนะี่ยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไป แล้วก็ไม่มาก่อรูปนามอันนี้ขึ้นมาอีกไม่ได้มาอาศัยในท้องของวานดาอีกต่อไปนี่ไอความเป็นผู้ที่พยายามบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าขึ้นในตนแล้วเช่นนี้แหละ จิตใจมันจึงมีกำลังเข้มแข็งได้แล้วก็จึงละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นได้เพราะว่ากำลังบุญกุศลนี่กำลังสติปัญญานี่เมื่ออบรมให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็มีอำนาจจุดเหนืออวิชชาตัณหาได้ดังนั้นมันจึงกำจัด อวิชชาตัญหาออกจากจิตใจนี่ได้ก็ขอให้เข้าใจตามนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไปอย่างว่านี่แล้วออบุคคลกระทำคุณงามความดีพอประมาณก็หลุดพ้นไปได้อย่างนี้ท่านผู้เป็นอริยบุคค ล, ลก็มีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะออแต่ปรากฏว่า แต่ครั้งวุตเจ้านั่นน่ะแม้ผู้มาเรื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วประกอบกุศลคุณงามความดีไปยังไม่ได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษก็มีอยู่มากมายในสมัยนั้นทั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็เกพราะบุญบารมียังไม่แก่กล้าเพียงพอที่จะกำจัด อวิชชาตัตหานี่ให้หมดสิ้นไปจากกิตใจได้นั่นเองเรื่องมันนะท่านผู้สำเร็จเสร็จสิ้นพ้นจากขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้ไปได้เข้าสู่พระนิพพานก็เพราะท่านสร้างบุญกุศลมามากต่อมาจนเต็มแล้วให้พิจารณาดูให้ดีให้รู้ให้เห็นไปตาม อย่างที่ว่านี่มันจึงมีกำลังใจได้คนเราเพราะาทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิเหล่านี้นะมันมีอนุภาพไม่ใช่น้อยอยู่ในจิตใจนี่ผู้ใดไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไป ก็ได้ต้องตกเป็นทาสของมันเลยมันก็จูงให้ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกนี้แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอย่อย่างนั้นเนี่ยไอ้บุคคลไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักรทรัพย์ปพฤติผิดในกาม กล่ามุสาวาต ด, ดื่มสุราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้มันก็ล้วนแต่บุญกำลังบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้าบุญบา ร, รมีน้อยสู้อำนาจของกิเลสตัณหาหไม่ได้ก็จึงได้ไปทำบาปเหล่านั้นอยู่ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แหละพ <c oughs> ากันคิดอยู่ดูให้ดีแล้ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะต้องขมักขะแม่นสร้างบุญสร้างบา ร, รมีไปสร้างบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนโดยความไม่ประมาท จะได้สำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษทั้งหลายบาปโทษทั้งหลายก็จะได้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจอันบาปกรรมนี่แหละมันเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตใจบรรลุกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะว่าบาปนี่มันย่อม ชักจูงใจแต่ให้คิดตกต่ำไปเรื่อยๆให้เบื่อหน่ายต่อการประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆนั่นแหละในเมื่อผูใ้ใดมีจิตใจเบื่อหน่ายในการกระทําความเพียนนั่นนั่นแสดงว่าจิตใจของคนนั้นตกเป็นธาตุของอวิชชาตันหาโดยแท้จริง จึงได้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมเห็นแต่แก่หลับแกนอนได้นอนมากเท่าใดยิ่งดีร่างกายมันจะได้อ้วนท้วนผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้นะเห็นผิดตั้งอยู่ในความประมาทถึงแม้จะบำรุงให้มันอ้วนท้วนแข็งแรงอยู่อย่างไร ก็ลองวาดมาโนภาพดูก็ได้แล้วมันยั่งยืนนานตลอดไปได้หรือไม่มีทางคนที่เกิดก่อนเราก็ตายไปก่อนแล้วมีเยอะแยะคนเหานั้นก็ร่วนแต่ บ, บำรุงร่างกายนี่ไม่ให้ขาดตกบกพร่ อ, องทั้งนั้นแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่ม สมบูรณ์มีอาหารการบริโภคเลยมามีที่อยู่ที่อาศัยการพ้นกันลมกันแดดกันสัตว์รายต่างๆได้เป็นอย่างดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเกาะไปหาหมอพ่อก็ตรวจดูแลรู้จักสมุฐานของโลกและ ว, วางยาเข้าไปมันก็หายไป อย่างนี้แหละร่างกายอันนี้เนี่ยแม้ถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรถึงจะบำรงมันอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็เป็นปกติสุขไปได้ชั่วคราวตอนนั้นเองเมื่อต่อไปมันก็สำรุดไปสำรุดไปและที่สุขก็แตกดับลงผู้มีปัญญา เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าระยะในร่างกายก็ยังมีกําลังวางชาดีอยู่ยังไม่จิตไม่ไข่ยังไม่ทุษโท ม, มากเท่าไรนะักเช่นนี้แนละ้วก็จงรีบเร่งทําความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่ความสนุกเพลิดเพลินในโลกอเช่นนี้ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เดินตามรอยบาทของพระศาษษษสดาโดยความไม่ประมาทเแล้วก็จะสามารถทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้จริงๆถึงแม้จะละกิเลสยังไม่หมดก็เรียกว่าทำกิเลสให้เบาบาง ออกไปจากกิจใจในชีวิตนี้เนะี่ยเท่าที่ชีวิตมันจะเป็นไปได้โดยมนันคำหนึ่งอยู่ว่าเราจะถือเอาชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลทำกุศลความดีเพียรพยายามละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ให้ น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นไปหรือว่าจนกลัวว่าร่างกายนี้จะอาศัยไม่ได้แล้วก็แล้วไปเมื่อจิตนี่ยังอาศัยร่างกายนี้ไปได้อยู่เราจะต้องพยายามละกิเลสตัณหาีนเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นด้วยการเจริญศีลให้บริสุทธ ไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเป็นเครือหัดก็สำรวมในศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็รักษาศีลอวสุทธิเป็นอาทรเอกศีลเช่นวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่วันนี่ก็ควรพยายามรักษาอุโบสถให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วบุญบารมีก็จะไม่มาก ไม่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้รักษาอโอวสารถเข้าไปประกอบด้วยศีลห้าแล้วบุญ ม, มีก็ยิ่งมากขึ้นโดยลำดับเป็นอย่างนั้นรืมมันนผะู้เป็นนักบวชก็ต้องพยายามสำรวมในวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั้นไม่ล่วงเกิน ทมศีลในบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่ลำบากเลยยอมเป็นไปได้ตามอัตภาพเป็นอย่างนั้นข้อนี้มันก็รู้ได้ตนเองเนี่ยผู้ใดบาเพ็ญผู้นั้นเนี่ยรู้เองเลยใจผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้ ก็แสดงให้เห็นได้ในภายนอกยูเหมือนกันแหละเช่นผู้ที่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมากพอสมควรเช่นนี้นะย่อมมันย่อมขยันในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยกินพอประมาณนอนพอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณ ไม่ให้เหลือบาลกกัวแรงหากผมเกินไปร่างกายนี่ก็สุดโทมง่ายถ้าทำไปพอดีพอดีร่างกายนี่มันก็ไม่สุดโทมง่ายก็ได้อาศัยมันประกอบความเพียรทางจิตใจไปอยู่ได้นานพอสมควรจนกล่วมันจะแตกดับไปนี่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําอะไรให้พอดีพอดีเลยอย่าให้เกินประมาณถ้าเกินประมาณแล้วก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ถ้าย้อนยานเกินไปก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์นี่ต้องทําให้พอดีพอดีการทําการทํางานอะไรก็ให้พอเหมาะพอดีกับกาลังอย่าหักโหมเกินไป อย่างนี้แหละแล้วก็การทําอะไรนั้นต้องมีสติระมัดระวังรู้เท่ารู้พุทธบัญญัติไว้ตลอดเวลาว่าทําอย่างนั้นมันผิดพุทธบัญญัติข้อนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดพุทธบัญญัติข้อนั้นอย่างนี้รู้ไว้ตลอดเวลาเมื่อรู้อย่างนี้ไปเลยๆอ่าการทําการพูดอะไรทางกายวาจา มันก็ไม่ผิดไม่พลาดนะเพราะมันรู้นี่มันรู้ล่วงหน้าแล้วถ้าพูดอย่างนี้มันผิดมันก็หยุดเลยไม่พูดแล้วถ้าทำอย่างนี้มันผิดมันรู้ล่วงหน้าเวลามันก็ไม่ทำมันเป็นอย่างนั้นเรืมองมันนะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าจิตใจดวงนี้จะมีความสุขอยู่ได้ทุกอยู่ได้เพราะความเพียร นี่พูดถึงบุคคลผู้ยังไม่สิ้นอาสวัคเกเรตันหานี่ต้องมีความสุขอยู่ได้เพราะเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานถ้าบาปอะไรถ้ามันรุ่มหลงทําไม่เกิดมีขึ้นแล้วก็เพียรละบาปนั้นให้สิ้นไปหมดไปจา ก, กจิตใจเนี่ยจะเกิดเพียรพยายามบําเพ็ญกุศลความดี ให้เกิดมีขึ้นในใจเสมอไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อบำเพ็ญกุศลใด้เกิดขึ้นในจิตใจตนได้ความสงบใจเย็นใจสบายใจเพราะการกระทำอุบายแยบคลายในใจอย่างนี้อย่างนี้นเช่นนั้นแล้วเพียรไมายามรักษาอุบายแยบคายเหล่านั้นไว้อย่าให้มันเสื่อม สอนใจฝึกใจของตนให้สงบและให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงขึ้นไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เราจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในขันห้าเมื่อเห็นว่าขันห้านี้แหละมีคุณต่อเรามากมายดวงกิดได้อาศัยขันห้านี้ ได้อาศัยขันธ์ห้าอันเป็นของมนุษย์นี่นะจึงสามารถสั่งสมบุญกุศลมีให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนา ส, สั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ถ้าไม่ได้อาศัยถ้าดวงจิตนี่ไม่ได้อาศัยขนันธ์ห้านเป็นของมนุษย์นี่แล้วไม่มีทางนะ จะสั่งสมบุญกุศลได้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าขันธ์หน้ามันไม่เที่ยงไม่ยัง่งยืนอย่างนี้นะก็จึงไม่ควรประมาทกันนั่นเลยรีบเล่งกระทำความเพียรก็ไปทางจิตใจทำให้บุญกุศลเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนของตน เมื่อบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าใดสติปัญญามันก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะก็สามารถมองเห็นกิเลสอย่างละเอียดละอ้ำต่างๆได้ถ้าบุคคลไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงคิดนี้แล้วไม่สามารถจะมองเห็นกิเลสอันละเอียดซึ่งดองอยู่ในจิตใจอ น, นันต์มานมนาน ไม่สามารถจะมองเห็นได้ <c oughs> เมื่อลักกิเลสส่วนละเอียดไม่ได้มันก็มาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายนั่นเลยอีกอเพราะว่าเมื่อเกิดไปในชาติหน้าอีกบางทีไปสมาคมขมมหากับคนผ่านสันดานหยาบเข้าไปเขาก็สักส่วนทำกรรมมันหยาบท่ารามก อาก็าทำไปตามเขาเช่นนี้จิตนั้นก็กกมาสะสมกิเลสอย่างงยาบให้เกิดมีขึ้นในตนไปเอยๆอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าภาฏเมื่อรักกิเลสอย่างหาบได้แล้วก็พยายามรักกิเลสอย่างกลางคือนิวรห้าดังที่ ร, รู้ๆกันมาอยู่แล้วนั่นนะ อืพยายามมันไปอยู่นั้นแหละถึงว่ามันละไม่ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เรื่องมันแต่เมื่อยังมีชีวิตยอยู่นี่แล้วจะต้องพยายามอยู่นี้แหละเอาบางทีมันก็อาจละมันได้โดยเด็ดขาดไปก่อนตายก็เป็นบุญญาลาภผู้ใดละนี่วรห้าได้อันเป็นกิเลสอย่า ง, งลกลางได้ก็เอา พยายามเพียนลากกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปกิเลสอย่างละเอียดได้แก่ความเป็นผู้ถือเนื้อถือตัวเมื่อเห็นว่าตนเป็นผู้มีบุญหนักตะเก่ขึ้นมาแล้วกดสำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษปีโส ổ, ใครยกย่องนับถือก็ไปก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจ อันหมดนี่แหละมันทำให้คนเราหลุดพ้นจากกิเลสอย่างละเอียดไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นความสำคัญว่าตนเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้ทรงคุณวิเศษไว้ในใจอยู่เสมออย่างนี้นะนี่ถ้ามันเป็นกิเลสส่วนละเอียดเป็นอย่างนั้นความไม่รู้ ความไม่รู้ขันห้าอันเป็นส่วนละเอียดอันนี้นะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ให้บุคคลมาละอาสวักกีเรศอันละเอียดนอนเนื่องอยู่ใน จ, ใจิตใจนั้นไม่ได้ดังนั้นก็ต้องทำความเพียรอบรมสมาธิให้แก่กล้าให้หนักแน่นเข้าไป แล้วก็ฝึกปัญญาให้ละเอียดละออเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาโดยอุบายแยบไพยจริงๆอย่างนี้นะนั่นแหละจึงสามารถละอสักกิเลสต่วนละเอียดไปได้เมื่อไม่ละไม่ได้ไม่หมดแต่เมื่อเรา ม, มีความเพียรไม่ยามอยู่มันก็เป็นผลดีมันจะไม่ได้ถอยหลังเข้าครอง อีกเมื่อเราทำความเพียรไปเรื่อยๆ่อ้ความที่จะถอยหลังกลับเข้าไปสั่งสมกิเลสยังงักทำความชั่วต่อไปอีกไม่มีมีแต่เมื่อรักความชั่วไปหมดแล้วก็รักษาความดีให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละผู้มีความเพียรเพ่งวินิจ โดยความไม่ประมาทแล้วย่อมเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมของจริงยิ่งงขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์ดังแสดงมา